เมื่อจบหรือเสร็จสิ้นคำอาราธนาของพรมเนี่ยนะพระองค์ก็มีพระมหากรุณาเกิดขึ้นพระองค์นั้นผู้มีกำลังแห่งพระกรุณานผุดขึ้นในสมัยนั้นน่ะกรุณาที่เกิดขึ้นนั้นกำหนดประมาณไม่ได้เป็นพระมหากรุณาที่หาประมาณไม่ได้เพราะทรงสดับคําวอนขอของเท้าสามบดีพรหมนั้นพระองค์ผู้ทรงมีพระกาลังสิบ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 นะถือว่าเป็นเหตุใกล้แห่งมหากรุณาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีกรุณาเนี่ยผุดขึ้นโดยกรุณาที่พระองค์เนี่ยสะสมมาตลอดสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับเนี่ยนะกรุณาเหล่านั้นก็ผุดขึ้นเป็นกําลังแห่งกรุณาหาประมาณไม่ได้มันกรุณาก็กระตุ้นเตือนเนี่ยนะให้น้อมไปเพื่อที่จะช่วยเหลือหมูสัตว์ทั้งหลายท่านพระองค์ก็เลยพิจารณาว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย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 ชนเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยอินทรีห้าชนเหล่านั้นทุลีในดวงตาน้อยชนเหล่าใดไม่มีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาชนเหล่านั้นชื่อว่าผู้มีทุลีในดวงตามากสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่มีอินทรีแก่กล้าก็มีผู้ที่มีอินทรีอ่อนก็มีผู้ที่มีอาการดีก็มีผู้ที่มีอาการชั่วก็มีผู้พอจะสอนให้รู้ได้โดยง่ายก็มีสอนให้รู้ได้โดยยากก็มี มีทั้งพวกสอนง่ายมีทั้งพวกสอนยากบางพวกมีปกติเห็นโทษและภัยในปรโลกเนี่ยบางพวกก็ไม่เห็นบางพวกนี่เห็นโทษในวัฏะอย่างแรงกล้าชนผู้จะตรัสรู้นั้นเปรียบเหมือนในกออุบลกอปุมหรือกอบุญทริกดอกอุบลดอกปุมดอกบุญทริกบางดอกเกิดในน้ำเจริญในน้าอยู่กับน้ำจมอยู่ภายใต้น้าอันน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้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 สัมปันธะในพไตรดกเนี่ยนะโดยอัธยาศัยมีอยู่3ามอย่างคือ1ปริปุณะสัมปันธะแปลว่าบริบูรณ์เช่นนาข้าวที่บริบูรณ์อย่างที่สองก็สมังคีก็คือพรั่งพร้อมเนี่ยนะสมังคีนะก็คือพรั่งพร้อมหรือถึงพร้อมนั้นคําว่าพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะหรือผู้พรั่งพร้อมผู้พรักพร้อมด้วยวิชาและจรณะ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 ทำให้รู้เนี่ยนะทให้รู้หรือเชื่อ ว, วิชาพระาธรรมวควรได้โดยสัพ์นั้นวิชามีวิชาสามก็มีวิชา8ดก็มีอย่างวิชาสามก็มีในพยเพระวสสตรมชิมณิกามูลปันนาตอย่างวิชา8ดก็อยู่ในอภัตตสูตรบอกว่าความจริงในอภัตธสูตรนั้นท่านทำอภิญญาหกบวกกับวิปัสสนาญาณและมโนมยิทิ รวมกันเรียกว่าเป็นวิชา8เนี่ยนะวิชา8ถามว่าอภิน ญ, ญาหกมีอะไรบ้างก็คืออิทธิวิธีเนี่ยนะแสดงฤทธิ์ได้ที่โสตะมีหูทิพ ป, ปุเพนิวาสานุสติยานเ ล, ลือกชาติได้เจโตปริยญ า, านก็รู้ว่ารา จ, จิตของสัตว์อื่นที่ประจักษ์ขู่ยานก็คือมีตาทิพแล้วก็มีวิปัสนาญาณมีมโนมยิทธิ มโนโมยิทิคือเนรมิตรูปที่สำเร็จด้วยใจแล้วก็สุดท้ายอาสวัคยายานเนี่ยนะทั้ง6ประการรวมการเรียกว่าวิชา8เนี่ยนะวิชา8ก็คือพิญญา6บวกวิปัสสนาญาณแล้วก็บวกมโนมยิทินั่นแหละพระองค์นั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาเนี่ยนะโดยเฉพาะวิชาเน้นพิเศษคือวิชา8จะบอกว่าพระองค์มีอิทธิวิธีคือแสดงฤทธิ์ได้โดยประการต่างๆเช่น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 พระองค์ปราสองจะฟังเสียงเหล่าใดพระองค์ก็ได้ยินเสียงเหล่านั้นเนี่ยนะอันนี้ก็คือทิพระโสดาทส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์มีวิปัสนาญาณเนี่ยนะมีวิปัสนาญาณก็คืออ น, นิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนาัตฐานุปัสนาญาณเป็นต้นนั่นเองพระองค์มีมโนโมยิจฉิก็คือเนรมิตเรียกว่าเนรมิตรูปอื่นเช่นว่าอย่างพระจูลบันทกเนี่ยนะ เนรมิตรูปให้ออกมาเป็นเป็นร้อยเป็นพันรูปก็ได้เนี่ยนะฉนั้นพระองค์ก็สามารถทําพระพุทธเนรมิตรขึ้นมาได้อย่างเช่นที่ในเดี๋ยวจะมีข้างหน้าคือถ้าพระองค์เดินพระพุทธเนรมิตรจะนั่งจะนั่งจะยืนจะบรรทมเป็นต้นคือพระองค์เนรมิตพระองค์เองเนรมิตพระพุทธเนรมิตรขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสําเร็จด้วยมโนมยิทธิหรือพระองค์นั้น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 ประเภทในจิตสิประเภทในสรรพสัตว์ในโลกาธาตุอันหาประมาณไม่ได้สามารถที่จะสำรวจตรวจตรา ด, ดูสภาพจิตเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์และพระองค์ก็มีตาทิพย์เนี่ยนะมีจักขุมีตาทิพย์เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งว่าผงเล็กนิดเดียวเนี่ยนะพระองค์ก็มองเห็นผงเหล่านั้นจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลขนาดไหนก็เห็น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 ก็เห็นได้อะน้องไปรู้สิ่งใดก็รู้ได้พระองค์ประสงค์จะรู้หรือไม่เท่านั้นเองอันนี้เรียกว่าวิชาต่อไปจารณะเนี่ยนะจารณะนั้นโดยทั่วๆไปแปล ว, ว่าความประพฤติใช่ไหมหรือว่าคุณธรรมที่เป็นเหตุให้ประพฤติบุคคลผู้ประพฤติตามจารณะเหล่านี้แล้วเนี่ยนะย่อมไปสู่ทิศอันไม่ตายคือพระนิพพานจารณะนั้นโดยธรรมดาแล้วจารณะมีสิบห้เนี่ยแหละธรรมะ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 ธรรมะเประการนี้เรียกว่าสัตทธรรม7เนี่ยนะสัตทธรรม7ก็คือสัทธาหิริโอตตาปะพาหุสัจะวิริยะสติและปัญญาจริงก็ถ้าสังเกตดูให้ดีก็คืออินทรีย์5บวกหิริโอตตาปะนั่นแหละส่วนสมาธินี่ก็คืออะไรก็คือรูปรูปฌานทั้งหลายรูปาปวจรฌาน4ี่ก็คือปฐมฌานทุทาา ต, ติยฌานตติยฌานและจตุตฌานรวมทั้งหมดเรียกว่าจรณะธรรม15 ทำทั้งสิบห้าอย่างเหล่านี้นี่แหละที่เป็นเหตุให้พระอริยสาวกประพฤติไปสู่อมตะนิพพานนะนะไปสู่ที่อันไม่ตายคือพระนิพพานมันธรรมะสิบห้าข้อเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่นำบุคคลผู้ปฏิบัติตามไปสู่อมตะนิพพานเพราะทั้งสิบห้าข้อเหล่านี้เนี่ยนะศีล อินทรีสังวโรโภชเนมัตันยุตาสามข้อนั้นก็คืออธิศีละสิกขาชาคริยานุโยกก็เป็นข้อปฏิบัติที่เกื้อกูลทั้งศิกขาสาสัทธาหีริโอตปะก็เป็นอธิศีละสิกขาแม้แต่พระหูสัจจะ ด, ด้วยวิริยะสติและก็ฌานสีนั้นก็เป็นอธิจิตตสิกขาปัญญาก็คืออธิปัญญาสิกขาเพราะนั้นก็จารณาสิบห้าก็คือสิกขาสามถ้าย่อออกมา หรืออีกในหนึ่งก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั่นแหละพันผู้ใดประพฤตในธรรมะ15หหัวข้อเหล่านี้ย่อมไปสู่อ ม, มะตะทิศทิศอันไม่ตาย น, น, นะนะเรียกว่ามีอ ม, มะตะเป็นที่สุดอย่างลงสู่อ ม, มะตะเพราะว่าจารณะ15ก็คือสมถะและวิปัสสนาก็คือคุณเครื่องดำเนินไปสู่พระนิพพานอย่างที่พระองค์ตรัสไวใน เสขปฏิปทาสูตรเนี่ยนะที่พระองค์ใช้ให้พระอนุ์แสดงว่าดูก่อนมหานามะเนี่ยนะอริยาสาวกในศาสนานี้เป็นผู้มีศีลอินทร์สังวโรโภชเนมตัญยุตาชากริยานุโยกเป็นต้นเนี่ยนะที่ในเสขปฏิปทาสูตรมัชมนิกายมัชมะปัญนาตวิชาด้วยจารณะด้วยทั้งวิชาและจารณะชื่อว่าวิชาจารณะวิชาและจารณะของผู้ใดพรั่งพร้อม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 งั้นเอาอิทธารลมไปล่อสิเอาอนิถารมไปไปยั่วยวนให้โกรธเนี่ยนะไปยุไปแย่ให้พระองค์เสียใจยเป็นต้นเนี่ยไม่มีัม้นพระองค์จึงเป็นผู้คงที่ทั้งในอิทธารลมและอนิถารลมอธิบายว่าผู้มีอาการโดยไม่ผิดปกติในอิทธารลมและอนิถารมลมผะอารมณ์ที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตามสําหรับพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่มีอาการที่ผิดปกติ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 พันธอิทธารมทั้งหลายพระองค์จะพิจารณาโดยความเป็นาธาตุก็ได้พิจารณาโดยอสุภะก็ได้พิจารณาโดยอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นก็ได้สรุปว่าอารมณ์เหล่าใดบ้างที่พระองค์จเจริญส ม, มะถะและวิปัสสนาไม่ได้ทุกอารมณ์พระองค์จเจริญส ม, มะถะและวิปัสสนาได้นะนะพันธ์สมถะและวิปัสสนาที่พระองค์ได้จเจริญได้ในทุกอารมณ์นี่แหละทำให้พระองค์ถึงความเป็นผู้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 พระงจึงเป็นเรียกว่าเป็นผู้คงที่